Thank you. กองทัพธรรมธรรมะอิงชีวประวัติของท่านพระสารีบุตรเทราพระธรรมเสนาบดีแห่งพระพุทธศาสนาเสนอตอนที่35เรื่องทางเดินแห่งธรรมะเสนาด้วยการปรึกษากันกับพระชิชบิดาซึ่งจะช่วยแผ่ความเจริญด้วยคุณธรรม ให้แพร่ไปทั้งภายในและภายนอกอยยธยามหานครหรือในยันหนึ่งถือว่าเป็นการฉลองความปลอดภัยของอยยธยาที่ถูกรุกรานมาหลายคราวพระเจ้าสุรเสนจึงทรงบริจาคพระเทรัพย์จำนวนหนึ่งโดยสั่งคณะอามาตย์ให้ช่วยกันดำเนินการสังคารามแห่งใดที่มีพระภิกษุอยู่จำพรรษาแล้วก็มีการก่อสร้างเสนาสนะเพิ่มเติม และช่วยตกแต่งลานดินให้เหมาะสมที่มหาชนจะพึงมาสันนิบาตสดับพระธรรมเทศนาในที่ใดยังไม่มีสังขารามแต่เหมาะสมที่จะให้มีขึ้นเพราะเป็นที่สงบสงัดไม่ใกล้ไกลหมู่บ้านจนเกินไปสมควรที่พระสงฆ์จากจากตุรทิศจะมาพำนักสั่งสอนศีลธรรมแจพระหาชนก็ให้สร้างสังขารามขึ้นในที่นั้นๆโดยถือหลักประหยัด และให้สำเร็จประโยชน์กล่าวคือสร้างขึ้นอย่างง่ายๆแต่ให้มีระเบียบและให้อยู่โดยความผาสุขครั้งนั้นสังขารามโดยรอบอโยธยาที่มีอยู่แล้วหลายสิบแห่งและที่สร้างขึ้นใหม่อีกหลายแห่งก็กลายเป็นแหล่งกลางที่มหาชนจะพึงไปพบปะประชุมกันสนทนาปราศัยหรือสดับพระธรรมเทศนาตามโอกาสอันควรรวมทั้ง ในวันดับวันเพนแห่งดวงจันทร์และในวันกึ่งปักด้วยซึ่งเป็นเสมือนวันนัดหมายถาวรตลอดไปผู้ชำนาญในการวาดเขียนระบายสีได้รับเชิญให้ไปพบและได้รับเงินส่วนหนึ่งเพื่อเขียนภาพจิตกรรมระบายสีแสดงความหมายแห่งธรรมะเช่นภาพนางชนบทกาลยาณีผู้รุ่นเจริญวัยแต่งกายส่องดูเงาห น, น้าในแว่นโลหะพยายามขจัดมนตินในดวงหน้า อย่างระมัดระวังแล้วให้มีข้อความจารึกภายในว่าความละอายใจในการประพฤติชั่วพึงมีทั้งในที่รับและที่แจ้งสเสมือนหนึ่งนางชนบทกระยาณีพยายามกําจัดมนทินแห่งดวงหน้าฉะนั้นอีกภาพหนึ่งแสดงถึงบุรุษผู้พยายามหลีกอสรพิษโดยให้มีความหมายถึงความเกรงกลัวต่อความชั่วทั้งสองภาพนั้น แสดงถึงหิริและอดตับปะซึ่งเป็นธรรมโล ก, กบาลคุ้มครองโลกให้สถาพรอยู่ได้ทหลกนี้ขาดหิริความระายแจใจและอดตับปะความเกรงกลัวต่อความชั่วแล้วต่างก็จะคมเห็นเบียดเบียนกันและมีความสำคัญในชีวิตของกันและการเหมือนเนื้อหรือผักปลาที่เรียกว่ามิค่สัญญีบางรูปทำเป็นต้นไม้ใหญ่มีร่มเงาอันแผ่ภสาร มีกลุ่มชนเข้าไปพักร้อนในยามแดดกำลังออกกล้าเพื่อให้เห็นอุปมาเหมือนธรรมะที่ให้ร่มเงาและความเยือกเย็นแกผู้ตั้งอยู่ในธรรมบางรูปทำเป็นนายสารธีกํำลังถือสายเชือกขับราชรถอัน ง, งามยิ่งเทียมด้วยม้าสีขาวแล่นไปในมรกคาด้วยอาการอันดีมีความหมายให้มีความไม่ประมาทไม่ประสาจากสติในการคุมรถคือชีวิตของตน ให้ดำเนินไปไม่ผิดพลาดบางรูปทำเป็นช่างดินเผากำลังขุดดินนำมาผสมกับทรายแล้วทำเป็นกระเบื้องเผาให้เป็นรูปแล้วใช่มุงหลังคามีความหมายว่ามนุษย์ทั้งหลายแม้จะเกิดในสกุลต่าแต่ถ้าทำตัวให้เหมาะสมก็กลายเป็นคนชั้นสูงได้โดยคุณธรรมเหมือนดินที่คนเหยียบย่าไปมาอาจอยู่ในที่สูงบนศรีรษะของคนก็ได้บางรูป ทำเป็นดวงอาทิตย์แผดเผาน้าในมหาสมุทรแล้วกลายเป็นฝนตกลงมามีมหาชนรองน้ำไว้กินอย่างเชื่อนบานให้มีความหมายว่าสาธุชนฟังถ้อยคําไม่ไพเราะของคนอื่นแต่เวลาพูดกลับพูดถ้อยคาที่ไพเราะอ่อนหวานเปรียบเหมือนดวงอาทิตย์เผาน้าเชม็มแต่ไม่ให้มีเกลือติดขึ้นไปด้วยเวลาน้ำฝนตกลงมาก็จืดสนิทน่าดื่มน่ากินบางรูป ทำเป็นพยามารถืออาวุธครบครันฉี่ช้างยกพลเพื่อจะเข้ามาทำร้ายสมเด็จพระบรมศาสดาที่โพีิบัลลังก์แต่พอเข้ามาใกล้หอกดาบอาวุธทั้งนั้นก็กลายเป็นดอกไม้ทูบเทียนเครื่องสักการบูชาให้มีความหมายว่าผู้ตั้งอยู่ในธรรมย่อมพิจารณาสอนใจหรือวางตัวให้เหมาะสมให้เรื่องราวทั้งหลายที่เปรียบเหมือนอาวุธและยาพิษกลายเป็นเรื่องดี คลายดอกไม้ My, ทูบเทียนเครื่องบูชาโดยประการตรงกันข้ามให้เข้าใจไปถึงว่าผู้ใดก็ตามสมบูรณ์ในลาบยศชื่อเสียงแล้วแต่ไม่รู้จักต้อนรับราบยศชื่อเสียงนั้นประพฤติตนไม่เหมาะสมดีเพื่อเผลินใช้ไปนในทางที่ผิดก็ดีของดีคือลาบยศชื่อเสียงนั้นก็จะกลายเป็นอาวุธหรือยาพิษประหัตประหารให้พินาศล่มจมยิ่งกว่าในสมัยที่ไม่มีลาบยศชื่อเสียงเสียอีก บางรูปทําเป็นคนปลูกบ้านสร้างเรือนแล้วเข้าไปอาศัยอยู่บางรูปทําเป็นคนผู้ยืนอยู่กลางแจ้งได้ร่มเงาเมฆหน่อยหนึ่งแล้วก็ร้อนอีกให้มีความหมายถึงผู้ตั้งตนไว้ชอบด้วยการประกอบสัมมาอาชีพส่วนอีกบางพวกมุ่งเป็นอยู่ด้วยการพนันบางรูปแสดงความทุกข์หกของผู้ครองเรือนโดยแบ่งออกเป็นส่วนๆคือถ้าทาตนไม่ดีก็จะประสบความยากจนค้นแค้น อีกส่วนหนึ่งแสดงว่าเมื่อมีความยากจนก็มักเป็นเหตุให้ก่อหนี้สินต่อไปเมื่อก่อหนี้สินแล้วก็จะต้องเสียดอกเบีย้ยจะเจ้าหนี้มากบ้างน้อยบ้างตามสมควรจะหนี้นั้นๆในส่วนที่4แสดงว่าบางครั้งไม่มีเงินจะใช้คืนและไม่มีเงินจะส่งเป็นค่าดอกเบีย้ยจึงถูกเจ้าหนี้ติดตามทวงในส่วนที่หแสดงว่าเจ้าหนี้ได้ไปฟ้องขอให้ศาลมินิจฉัยและในส่วนที่6แสดงถึงทุก อันเกิดจากการถูกจองจำหรือล้มละลายเป็นการเตือนไม่ให้ตั้งอยู่ในความประมาทในการครองชีวิตบางรูปแสดงให้เห็นคนกําลังดื่มสุราเมาไมายและเป็นเหตุให้ฆ่าคนให้ใจกล้าคิดปล้นทรัพย์ให้ประพฤติผิดในการและให้กล่าวคามุสาเพื่อชี้ให้เห็นโทษของการดื่มสุราเกินประมาณจนกลายเป็นมัวเมาประมาทและประกอบกรรมชั่วนอื่นได้โดยง่าย บางรูปแสดงว่าคนต้องการแจ่นไม้แต่ไปเจ็บจิงใบามาบ้างไปฉากสเก็ดมาบ้างถากเปลือกมาบ้างถากกระพีไม้มาบ้างไม่มีโอกาสได้แจ่นไม้สมดังปรารถนาแตอีกผู้หนึ่งต้องการแจ่นไม้ก็ไม่ไปลงผิดในจิงไม้ใบไม้สเก็ดไม้เป็นต้นว่าเป็นแจ่นหากได้ถากฟันส่วนอื่นทิ้งเสียแล้วถือเอาแต่แจ่นมาได้ดังประสงค์แล้วเขียนข้อความสอนโดยอุปมาว่า ผู้ศึกษาพระพุทธศาสนานั้นบางครั้งเข้าใจว่าลาบส ก, การะชื่อเสียงซึ่งเปรียบเหมือนกับจิงไม้ว่าเป็นแจงแห่งพระศาสนาบางคราวเข้าใจว่าเพียงตั้งอยู่ในศีลอันเทียบด้วยสเกียจว่าเป็นแจนแล้วบางสมัยเข้าใจว่าสมาธิคือการทําใจให้ตั้งมั่นซึ่งเปรียบเหมือนเปลือกไม้ว่าเป็นแจงสารบางคราวติดอยู่เพียงปัญญาสามันอันเสมือนหนึ่งเป็นกระพีไม้ว่า เป็นที่สุดแล้วบางคนไม่ติดอยู่เพียงชื่อเสียงราบสาการะพยายามปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาจนเป็นเหตุให้ได้ประสบความหลุดพ้นจากทุกข์อันไม่กำเริบซึ่งนับเป็นจันแท้แห่งพระพุทธศาสนาจึงชื่อว่าเป็นเสมือนผู้รู้จักจจนไม้แล้วนำาจนไม้ไปได้บางรูปทำเป็นรูปพระพรหมสีหน้านั่งเหนือดอกบัวบานแล้วเขียนข้อความอธิบายว่าได้แจ่ การประกอบด้วยคุณธรรมคือเมตตาไม่พยาบาทหนึ่งกรุณาชิดช่วยให้ผลทุกหนึ่งมุทิตาพรอยินดีเมื่อผู้อื่นได้ดีเมริศยาหนึ่งโอเบคาวางใจเป็นกลางไม่เข้าข้างใดข้างหนึ่งหนึ่งดอกโบบานนั้นคือปัญญาหมายความว่ามีคุณธรรมปัญญาถ้าขาดปัญญาก็อาจทำให้ผิดพลาดได้ นอกจากนั้นยังมีรูปอื่นๆ อ, อีกเป็นอันมากทั้งนี้ให้เขียนไว้หนผนังกาแพงสองด้านมีหลังคาป้องกันแดดฝนให้ตั้งอยู่ในที่ซึ่งมหาชนจะไปมาดูรูปภาพเหล่านั้นได้สะดวกเป็นประจำวันอันหนึ่งคณะนักฟ้อนทั้งหลายที่ได้มโหาราพเป็นเรื่องราวก็ได้รับทรัพย์สินไปเพื่อเที่ยวแสดงในที่ต่างๆทั้งในและนอกพระมหานครให้เนื้อเรื่องที่แสดงนั้น มีทั้งสนุกทั้งประกอบด้วยคติธรรมเช่นให้มีกะตันยูกะตะเวทีให้มีความสัตย์ให้มีใจสูงในเมื่อต้องการตัดสินใจระหว่างความชั่วกับความดีให้คิดพึ่งตนเองไม่พอใจแต่จะเรียกหาความช่วยเหลือโดยไม่ทำการใดๆบางเรื่องเป็นสงครามระหว่างอสูรกับเทวารบกันเป็นที่สนุกสนานบางคราวอสูรแพ้บางคราวเทวาแพ้มีเรื่องแทรกชวนให้เพเพลินครั้นจบเรื่อง ผู้แสดงก็กล่าวเปรียบเทียบให้ฟังว่าเรื่องอสูรกับเทวารบกันนี้แท้จริงก็คือความชั่วกับความดีต่อสู้กันในจิตใจของมนุษนี้เองบางครั้งความชั่วชนะคนก็หันไปตามความชั่วบางคราวความดีชนะคนก็งดเว้นจากความชั่วหันมาประพฤติแต่ความดีแล้วเตือนใจให้ผู้ดูพยายามนึกอยู่เสมอว่าจะให้อสูรนาชีวิตหรือให้เทวาเป็นผู้นำสุดแต่ใครจะเลือกตัดสินใจ บางเรื่องแสดงถึงชีวิตยากจกผู้ประสบความทุกข์ยากลำบากแต่ได้พยายามเจ็บเล็กผสมน้อยแล้วประกอบการงานหาเลี้ยงชีพด้วยความภาคเพียรบางครั้งต้องถูกดูหมิ่นเหยียดยามบางครั้งต้องประสบอุปสรรคแห่กงการงานและชีวิตแต่ก็ไม่ย่อท้อหรือคิดสั้นทำลายตัวเองในที่สุดก็กลับได้เป็นมหาเศรษฐีและกลายเป็นนายของคนอื่นที่เคยดูหมิ่นเยียดยามตนมาก่อน บางเรื่องแสดงถึงบุตรเศรษฐีผู้มีทรัพย์นับจํานวนหลายสิบโกดแต่มีชีวิตอยู่ด้วยการจับใจพุ่มเฟือยไม่รู้จักประมาณพรานทรัพย์มหาสมบัติที่มารดาบิดาและบรรพบุรุษสะสมไว้ให้หมดไปในช่วงเวลาไม่นานในที่สุดต้องกลายเป็นขอทานซึ่งเป็นคติเตือนใจให้มหาชนไม่ตั้งอยู่ในความประมาทบางเรื่องแสดงถึงพระราชาแปลงปลอมพระองค์ท่องเที่ยวไปในที่ต่างๆ ได้พบเห็นผู้คนหลายชั้นหลายชนิดพบทั้งคนดีคนโกงคนเกีกะเกีเรเมื่อผู้ดูรู้ล่วงหน้าว่าพระราชาปลอมไปจึงรู้สึกสนุกสนานในเมื่อพระราชาไปพบอมาตย์บางคนกำลังประกอบกรรมทุจริตและไปพบบางคนผู้มีใจเมตตากรุณานึกว่าพระราชาเป็นผู้ตกยากจริงทำนองเนื้อความเป็นไปในทางสนับสนุนให้บุคคลตั้งอยู่ในคุณธรรม และเกรดช่างความชั่วช้าอันหนึ่งคณะนักสังขีตะและคณะนักร้องเพลงแย้กันก็ได้รับมอบทรัพย์ให้ล่องเรือเร่แยกย้ายกันไปตามลำน้ําสระอยู่ที่ร้องเพลงแจ้กันเป็นที่สนุกสนานและก็สอดใส่ถ้อยคําที่สอนให้สนใจในโอาวาทของสมเด็จพระบรมศาสดาเช่นพันานาถึงความทุกข์ร้อนที่มีอยู่ของฝ่ายหนึ่งอีกฝ่ายหนึ่งซักถามรายละเอียดแล้วชี้ว่าควรจะสอนใจตนอย่างไร ควรจะลดความทะเยอทะยานอยากที่เกินลงไปอย่างไรแล้วกล่าวปลอบปลุกใจให้กล้าหาญในการต่อสู้กับความเป็นอยู่โดยไม่ย่อท้อต่อประสักเป็นต้นครั้นแล้วก็วกไปเรื่องอื่นซึ่งชวนให้ขบคันมหาชนทั้งภายในและภายนอกอโยธยา ได้รับความรื่นเริงบันเทิงจากมหรส์จากผู้โรงเรือเร่ที่เที่ยวร้องเพลงและจากการเที่ยวชมช่างเขียนฝีมือทํารูปไว้งดงามมีประการต่างๆและในขณะเดียวกันก็ได้รับคติสอนใจจากพระพุทธศาสนาโดยไม่รู้สึกว่าฝืนใจฟังเพราะได้คติรรมไปเองโดยมีความเพลิดเพลินในสิ่งที่ดูที่ฝั่งนั้นๆอันว่าธรรมเสนาก็แผ่ไปโดยผู้สนใจ ช่วยให้แพร่หลายหาหนทางอันเหมาะสมให้ด้วยประการรัชนี